ข้อความในคุธการนิกายจุลนิเทศโทตกะมานวกะปัญหานิเทศเอนะไนคุพราหมณ์ท่านที่ห้านะน่าคิดอย่างหนึ่งว่าอีกคนถามให้อีกคนบรรลุไม่ได้ต้องต้องปัญหาเป็นของตัวของตัวนั่นแหละจึงจะบรรลุนี่ก็น่าคิดอ่าสิบหกท่านก็สิบหกปัญหา ก็น่าจะว่าถามสักคนหนึ่งที่เหลือก็บรุลุตามไปให้หมดเลยกลับไม่ใช่ก็ตามตามอัทยาศัยที่สะสมมาท่านโทตกะทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ ข, ง b ork b ork b ข้าแต่พระองค์ผู้แสวงหาธรรมะอันใหญ่ ข้าพระองค์ย่อมหวังพระวาจาของพระองค์บุคคลได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วพึงศึกษานิพพานเพื่อตนถ้าได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วก็จะศึกษานิพพานเพื่อตนคำว่าข้าแต่พระองค์พูดแสวงหาธรรมะใหญ่ข้าพระองค์เนี่ยย่อมหวังพระวาจาของพระองค์มีความว่าข้าพระองค์ย่อมหวัง คือย่อมจำนงปรารถนายินดีประสงค์รักใคร่ชอบใจซึ่งพระดํารัสคือคำเป็นทางเทศนาอนุสนธิของพระองค์แปลว่าหวังวาจานะหวังคำสอนจากพระองค์นั่นแหละคาว่าเมหสีเหสีแปลว่าอะไรพระอัฏฐาว่ า, า, วาสแสวงหาส่ห า, หาคนหาสีละขันใหญ่สมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุตติขันใหญ่วิมุตติญาณทัศน์ขันที่ใหญ่ เรียกว่ามเหสีคือผู้สแสวงหาคุณใหญ่ในหน้าหนึอธิบายว่าเชื่อว่ามาเหสีเนี่ยพอ่ออาถาวรกรายบอกว่าชื่อว่ามเหสีพราอาถาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาเสาะหาค้นหาซึ่งสีละขันใหญ่สมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุติขันใหญ่วิมุติญาทณทัศน์ขันใหญ่ในเรียก หัวข้อทำว่าธรรมขันห้านะเ <c oughs> ชื่อว่ามเหสีเนี่ยเพราะอัฏาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาเสาะหาคน้นหาแล้วซึ่งความทําลายกองมืดใหญ่ซึ่งความทําลายวิปรารใหญ่ซึ่งความถอนลูกศอนคือตันหาใหญ่ซึ่งความตัดความสืบต่อทิฏฐิใหญ่ซึ่งความให้มานะเป็นดังธงใหญ่ตกไป ซึ่งความระงับอภิสังขารใหญ่ซึ่งความสละโอคะคือห้วงน้าใหญ่ซึ่งความปลงภาระใหญ่ซึ่งความกหนซึ่งความตัดสังสารวัตใหญ่ซึ่งการให้ความเล่าร้อนใหญ่ดับไปซึ่งความสงบระงับความเดือดร้อนใหญ่ซึ่งความยกขึ้นซึ่งธรรมะเป็นดังว่าธงใหญ่ซึ่งสติประธานใหญ่สัมมาประธานใหญ่อิทิบาทใหญ่อินทรีย์ใหญ่พาระใหญ่โพชงใหญ่ อารย ม, มารประกอบไปด้วยองค์แปดใหญ่ซึ่งอ น, นิปัตอมตฏนิพานอันเป็นประมัิใหญ่นั่นก็ <c oughs> ว่าโดยรวมพระพุทธเจ้าก็สแสวงหาการกำจัดความมืดวิปลาสตันหาทิฏฐิมานะอภิสังขารสละโอฆเนี่ยนะอันนี้ก็คือเน้นประกาศการกำจัดการละการสละสมุทยัทยสัตว์นั่นเอง ส่วนการปรงภาระสังสารวัตรความเร่าร้อนความเดือดร้อนให้สงบตรงนี้ก็หมายถึงทุกขสัตว์เนี่ยนะภาระก็เป็นชื่อของขันสังสารวัตก็เป็นชื่อของขันธาตุอายตนะขันธาตุอายตนะเนี่ยเป็นตัวที่เร่าร้อนส่วนคำว่าความสงบความสงบเนี่ยนะนี่ก็หมายถึงเน้นไปที่พระนิพพาน ส่วนยกขึ้นซึ่งทำใหญ่ทำใหญ่ก็คือสติปทานสัมมาปทานอินทิบาทอินรียพระรพโธชงอริยมรักอันนี้ก็เน้นที่มรรคสัต์นั่นเองอมะตะนิพานเป็นประมัดใหญ่ก็คือนิโรสัจฉะอันถ้าคําอธิบายหรือคําแสดงจะกว้างขวางขนาดไหนแต่ว่าอยู่ในกลุ่มอริยสัตย์อยู่ดีนะเช่นความมืดวิปลาสตันหาทิฐิมานะ น, นะหรือโอคาเนี่ยพวกนี้ก็หมายถึงกิเลส ส่วนอภิสังขารก็คือกรรมส่วนภาระสังสาระความเร่าร้อนความเดือดร้อนพวกนี้ก็เป็นชื่อของขันห้าส่วนธรรมะก็เป็นชื่อของโพธิปัจขิยธรรมกซ็ซึ่งหมายถึงอริยมรรคนั่นเองและก็พระนิพพานอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะพระองค์ชื่อว่ามหิสีเพราะอัดว่าอันสัตว์ทั้งหลายผู้มีศักย์ใหญ่สแสวงหาสาะหาสืบหาว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นเทวดาล่วงเทวดาประทับณที่ไหนพระนาราสภะประทับณที่ไหนเนี่ยนะมันก็สัตว์ทั้งหลายก็เที่ยวแสวงหาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคาว่าบุคคลได้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วคือได้ฟังคือได้ยินได้ศึกษาเข้าไปทรงจำเข้าไปกําหนดซึ่งพระดำรัส นะคําว่าฟังเนี่ยนะรวมทั้งศึกษาด้วยรวมทั้งทรงจําด้วยรวมทั้งการเข้าไปกําหนดซึ่งพระดํารัตพระดํารัสก็คืออะไรเป็นทางเป็นเทศนาเป็นอนุสนธิของพระองค์เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าบุคคลได้ฟังพระดํารัตของพระองค์แล้วคําว่าสิกขาสิกขาก็คือสิกขาสามอย่างเนี่ยนะอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ในหน้า29อธิบายถึงศิกขาสว่าอธิศีละสิกขาเป็นไฉนภิกษูในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมในปาติโมคสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศีลขันเล็กศีลขันใหญ่ ศีลเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกัน้นเป็นความสัมรวมเป็นความระวังเป็นประมุกเป็นประธานแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายนี้ชื่อว่าที่ ศ, รรศรรีลสิกขาคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายเป็นชื่อของสมถาวิปัสนาสนเนี่ยศนะีลเนี่ยเป็นประมุกของสมถาวิปัสนาศีลเป็นประธานของสมถาวิปัสนานั่นเองนะมันพฤติกรรมคำพูดเนี่ยสำคัญมาก จะเกื้อกูลต่อสมถะหรือวิปัสนาอยู่หรือไม่ก็อยู่ที่พฤติความประพฤติทางกายสิ่งที่พูดออกไปนั่นแหละคือศีลพูดแล้วอกุศลกลุ่มลมหรือมีอกุศลเป็นสมุทฐานก็เรียกว่าทุศีลถ้าหากว่าพฤติกรรมคําพูดเกิดจากกุศลเป็นสมุทฐานก็ชื่อว่ามีศีลทีนี้ศีลทั้งหลายที่กายกรรมวจีกรรมเนี่ยนะ ถามว่าไหลมาจากทวารไหนก็ทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นก็เป็นอินทรีย์สังวรเนี่ยนะทวารตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นไหลเข้ามาสู่ทวารใจทวารใจล่วงมาทางกายวาจาเนี่กายวาจานั้นอะ่ะที่ทําอยู่ก็โดยมากก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพนะการครองชีพทั้งหลายก็ให้อยู่ในขอบเขตอันนั้นก็เป็นสัมมาอาชีพทีนี้การใช้สอยปัจใจสี่เกี่ยวข้องกับอะไรก็ปัเจเวกอันศีลที่เป็นอธิศีลสศิขาก็เน้นที่ จะตุตปาริสุทิศีนั่นเองนะผู้ที่มีจะตุปาริสุทธิสีลบริบูรณ์อย่างไ้ก็จะถึงพร้อมแห่งสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายถามว่าอธิจิตตสิกขาเป็นไงนะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากุสุรธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ น, นะท <c oughs> ุติยฌานตติยฌานก็เหมือนกันตอนการได้ฌานสีนั่นแหละเรียกว่าอธิจิตตสิกขา เป็นการศึกษาเรื่องจิตคำว่าศึกษาเรื่องจิตคือพัฒนาคุณภาพจิตให้สูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะเรียกว่าจิตตะศิขาไม่ใช่ว่าแค่ความคิดใดเกิดขึ้นก็เรียนรู้แค่ความคิดไม่ใช่แต่หมายถึงการฝึกจิตด้วยนนะหมายถึงฌานจิตเนี่ยนะนั่นแหละจึงจะเป็นอธิจิตตะศิขาทีนี้ถ้ามีอธิจิตอธิศิลตะศิขาที่จิตตะศิขาดีอย่างนี้เนี่ยนะ ถ้าเป็นเจดีทั้งหลายก็คือปรับดินไว้อย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เหลหก็เหลือการก่อสร้างเจดีอธิปัญญาสิขาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับการก่อสร้างเจดีท่านผู้ที่มีปัญญาศิขาหรืออธิปัญญาศิขาก็คือพิกูุน์ในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเนี่ยพิจารณาเนี่ย ในทำธรธรมบทท่านบอกว่าปัญญานี่เขาไว้พิจารณาไม่ได้เอาไว้ทาแกงว่างั้นไม่ได้เอาไว้แกงหรอกเขาไว้พิจารณากันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาเครื่องพิจารณาก็ถามว่าพิจารณาอะไรก็จุดประสงค์ที่มาบําเพ็ญไต่สิกขาก็เรียนเพื่อต้องการศึกษาเรื่องชีวิตน่ะ น, นะฉะนั้นชีวิตนี่มีเหตุเกิดอย่างไรชีวิตนี่มีความดับอย่างไรชีวิตถ้าขยายไปก็คือขันห้าขันห้ามีเหตุเกิดอย่างไรมีความดับอย่างไร ผู้ที่รู้เหตุเกิดความดับอย่างนี้เนี่ยนะเป็นการรู้ความเหตุเกิดความดับอริยะที่เป็นอริยะเป็นเป็นความประเสริฐถ้ามีความรู้อย่างนี้ก็ถึงเป็นเครื่องชํามแรกกิเลสเลยนะชั่มแรกเช่นว่ารู้ความเกิดชํามแรกสัสตตทิฏฐิขอภัยถ้ารู้ความเกิดชํามแรกอุเฉททิฏฐิถ้ารู้ความดับก็ชํามแรกอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะอืมรู้ความเกิดชํามแรกสัสตตพูดทําไมผิดบ่อยทาไม รู้ความเกิดเนี่ยชั้แรกอุเฉ ท, ท, ท, ทัิฐิรู้ความดับนี่ชั้แรกสัสตตติฐิเนี่ยนะมันลักษณะของผพุทธศาสนาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปจัจจัยถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับด้วยเนี่ยนะนผู้ที่มีปัญญาอย่างเนี้ยจะมุ่งปฏิบัติเพื่อให้เออเรียกว่าปฏิบัติเพื่อความดับจริงๆนั้นในการปฏิบัติเพื่อความดับได้ก็คือการแทงตลอดอริยสัจคือรู้ความจริงวันนี้ทุกนี้ ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธาคาไม่มีปฏิปทาเรียกว่ารู้อริยสัจถ้ารู้อริยสัรจรจริงก็ต้องประมวลว่านี้อาสวะนะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะดังที่กล่าวไปชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาพคําว่านิพพานามัตตโนเนี่ยนะก็คือพึงศึกษาแม้อธิศีลแม่อธิจิต แ, แม่อธิปัญญาเพื่อดับราคะโทสะโมหะ นะก็ที่ที่เจริญตรายสิกขาก็พุ่งมึ่งดับกิเลสเนี่ยนะถ้าว่าโดยตรงตัวเนี่ยนะอาทิศีละสิกขาก็ดับโทสะอธทิจิตสิกขาก็ดับราคะอาทิปัญญาสิกขาก็ดับโมหะมันเป็นนั้นว่าถ้าดับราคะโทสะโมหะที่เป็นอกุศลมูลนะความโกรธความคูกโกรธก็จะสงบระงับไปเนี่ยนะก็อันการศึกษา สิกขาสามก็เพื่อสงบเพื่อเข้าไปสงบเพื่อสงบวิเศษเพื่อดับเพื่อสละคืนเพื่อระ ง, งับเนี่ยน ะ, ะความลบลู่ความตีเสมอริสยาตรณีตลอดจนถึงอกุศลทั้งปวงเนี่ยนะอกุศลาพิสังขารทั้งปวงมันเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคือศึกษาไตรสิกขาเพื่อดับสมุทยัยดับกิเลสอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเมื่อนึกถึงศิกขาก็ชื่อว่าศึกษา เมื่อรู้ก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อเห็นก็ชื่อว่าศึกษาเมื่อพิจารณาก็ชื่อว่าศึกษานะเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเนี่ยนะเมื่ออธิษฐานจิตก็ชื่อว่าศึกษาเพราะฉะนั้นเมื่อน้อมใจไปด้วยศรัทธาเมื่อประคองความเพียรเมื่อตั้งสติเข้าไปศึกษาเมื่อตั้งจิตก็ศึกษารู้ด้วยปัญญาก็ศึกษาอันนี้ก็เป็นการเจริญอินสี่ห้านะศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา ทีนี้ผู้ที่เจริญอินทรียห้าจริงเนี่ยนะเจริญศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็ต้องรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งกําหนดรู้ด้วยปัญญาเป็นเครื่องกําหนดรู้ละธรรมะที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งเนี่ยนะแล้วก็สมาทานประพฤติสมาทานปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าศึกษานิพพานเพื่อตนนิพพานในที่นี้เน้นการดับกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้า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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนโทตกะถ้าเช่นนั้นท่านจงเป็นผู้มีปัญญามีสติมีความเพียรในทิฏฐิคือในาศาสนานี้นี่แหละบอกเลยนะผู้มีปัญญามีสติมีความเพียรให้มีคุณธรรมสามอย่างในาศาสนานี้บุคคลได้ฟังคำแต่่ากเรานี้แล้วพึงศึกษานิพพานเพื่อตนได้ฟังคาว่ามีปัญญามีสติมีความเพียรเนี่ย ได้ฟังอย่างนี้แล้วนะก็พึงศึกษานิพานเพื่อตนภาษาริบุตรท่านนิเทศว่าท่านจงทำความเพียนจงทำความหมั่นทำความเป็นผู้มีความหมั่นทำความพยายามความทรงจำความเป็นผู้กล้ายังฉันท่าให้เกิดให้เกิดพร้อมให้เข้าไปตั้งไว้ให้บังเกิดให้บังเกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นบอกว่าเพราะฉะนั้นอะท่านจงทาความเพียนก็คือความเพียนความหมัน ความพยายามความทรงจําความกล้าเนี่ยนะยัง <me> ฉ <miniature land> ันทะฉันทะในที่นี้ก็คือฉันทะเพื่อละอกุศลที่ยังเพื่อละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วระวังไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นฉันทะเพื่อให้กุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วก็รักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ว